นโมทัสสะปโวะโตะระหะโตสัมมาสัมปุทสะนโมทัสสะปโวะโตะระหะโตสัมมาสัมปุทสะนัโมทัสสะปโวะโตะระหะโตสัมมาสัมปุทสะนัติสันติปาลังสุขังติติโอกาสต่อจากนี้ไป ก็เป็นช่วงระยะเวลาที่พวกเราได้พากันมาฟังเทศฟังธรรมเพราะฉะนั้นการฟังเทศฟังธรรมนั้นจะให้ได้ผลในการฟังพวกเราก็ต้องพากันรักษาจิตใจของเราให้อยู่ในปัจจุบันอย่าปล่อยจิตปล่อยใจให้เล่ร่อนออกไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอดีตอนาคตจะเป็นเรื่องราวที่ดีหรือที่ร้าย เป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายก็าตามเราต้องวางปงวางความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายภาระหน้าที่ต่างๆทั้งหลายวางให้สิ้นอย่ามาเป็นปริโภตความกังวลเกาะเกี่ยวครอบงำจิตใจของเราเมื่อเรารักษาจิตใจของเราได้ดีแล้วเปียบประดุจเหมือนภาชนะที่ว่างเปล่าเราจะเอาใบลายบรรจุลงไปก็ย่อมบรรจุได้อย่างเต็ม ฐานของภาชนะนั้นจิต ท, ที่อยู่ในปัจจุบันว่างเปล่าปราศจากอารมณ์จากความนึกคิดปรุงแต่งยุ่งเหยิงวุ่นวายครอบงาอยู่ภายในจิตในใจของเราก็เช่นกันเมื่อทมที่แสดงออกไปถูกจริติสัสของเราก็จะรั่วไหลเข้าไปสู่จิตใจของเราเองให้เรามีความเข้าใจในธรรมะที่เราได้สัมผัสในทางหู เพื่อจะน้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตของเราสืบต่อไปพระธรรมทุกบททุกบาทนับตั้งแต่เบื้องต้นท่้กลางและถึงที่สุดที่เราุพากันเรียกว่าพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าผู้ศาสดาเอกของโลกพระ อ, องค์ได้ตั้งขึ้นมาบรรัญญัติขึ้นมานั้นมีได้บรรัญญัติไว้ขึ้นมาเพียงเพื่อให้พวกเราได้เคารพนับถือกราบไหว้เท่านั้น แต่จุดมุ่งหมายของพระองค์นั้นบัญจัชิขึ้นมาก็เพื่อให้พวกเราท่านทั้งหลายน้อมนำไปปรับพฤติปฏิบัติด้วยตัวของเราเองตามหลักอัตตาเหี่ยวตนโนดาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนอย่างแท้จริงเมื่อเราน้อมนำไปปรับพฤติปฏิบัติแล้วเชื่อเถิดว่าการปฏิบัติธรรมะจะเป็นฟา ร, ร์มศูนย์เป่าหรือเป็นโมคะนั้นย่อมเป็นไป ไ, ได้ประดุจเมือนอาหาร เมื่อพวกเราลงมือรับประทานอาหารแล้วคําว่าจะไม่ได้สิ่งใดเลยนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้แม้การรับประทานอาหารของเราจะไม่ถึงกับอิ่มยังไม่สามารถระงับดับความหิวกะหายของเราให้หลุดสิ้นไปได้ก็ตามแต่อย่างนี้น้อยเราก็ได้รับาความอาเรเด็ดอร่อยหรือชุมช่มฉ่าจากอาหารที่เข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายของเราจากการรับประทานของเราบ้างแล้ว การน้อมนําเอาธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้อย่างถูกต้องแม่นยํานํามาประพฤติปฏิบัติก็เช่นกันแม้การประพฤติปฏิบัติธรรมของเราในปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถที่จะไปถอดถอนกิเลสอาสวะหรือตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ดับสิ้นออกไปจากจิตจักใจของเรายังไม่สามารถก้าวไปถึงสู่ประตูมรรคผลนิพพานได้ก็าตามแต่อย่าง น, น้อยเราก็ได้รับความร่มเย็น อบอุ่นจากกัดจักธรรมที่เกิดขึ้นมาจากการประพฤตปฏิบัติเข้าไปหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจของเราแทนที่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่ครอบงำจิตใจของเร า, ด, าด้วยความนึกคิดปุงแต่งจากอํานาจของกิเลสอาสวะทั้งหลายเหล่านั้นบ้างแล้วนี่แหละเราจะเห็นผลจากการประพฤตปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงแต่ถ้าการประพฤตปฏิบัติธรรมของเราไม่หยุดนิ่งไม่ทอแท้ไม่ทิ้งกว้างแล้ว <c oughs> ก็เชื่อเธอว่า การประพฤติปฏิบัติธรรมของเรานั้นจะสามารถนำาพาจิตใจดวงนี้ก้าวไปสู่ความ พ, พน้นทุกจากการครอบงำของกิเลสอวิชชาทั้งหลายได้อย่างแน่แท้เพราะจุดหมายปลายทางแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นก็คือมรรคผลนิพพานเมื่อพวกเรามุ่งหน้าในการเดินอยู่บนเส้นทางของศาสดานี้จุดหมายปลายทางก็ต้องเป็นจุดหมายปลายทางอันเดียวกัน อาจจะช้าหรือเร็วแตกต่างกันบ้างเท่านั้นแต่จุดหมายปลายทางจะต้องเป็นจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงควรจะเชื่อมั่นลงไปในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้อย่างถูกต้องแม่นยําไม่มีสิ่งใดแม่นยํายิ่งกว่าหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเพราะหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นหลักธรรมชาติแท้ซึ่งมีอยู่แล้วคู่โลกนี้ตลอดอนนาตการ พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปแต่งตั้งขึ้นมาจากมาจากไหนหรือไม่ได้ไฟใส ฟ, ฟ้าเอามาจากนอกโลกที่ไหนแต่พระองค์ล้วนแต่เอาสิ่งที่มีอยู่แล้วในชีวิตของพระองค์ท่านมาเป็นประโยชน์แกนสารสา ร, สาระต่อพระองค์ท่านให้เข้าไปถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงทงั้งทั้งที่ทุกท่านทุกคนก็ล้วนแต่มีทำทั้งหลายเหล่านั้นอยู่แต่ไม่สามารถรู้ไม่สามารถเห็นได้ ดังเช่นพื้นเบื้องต้นก็คือลมหายใจเข้าออกทุกคนที่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้นั้นล้วนแต่มีลมหายใจเข้าออกด้วยกันทั้งสิ้นเว้นแต่คนตายเท่านั้นที่ไม่มีลมหายใจเข้าออกแต่ทุกท่านทุกคนตลอดอ น, นาตการมาแม้เกิดขึ้นมามีลมหายใจเข้าออกก็ตามแต่ก็ไม่เห็นคุณค่าของลมหายใจเข้าออกก็ปล่อยเพียงลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายทายขันร่างกายนี้ให้อยู่ได้ จนถึงวันสุดท้ายไม่สามารถยึดเอาลมหายใจเข้าออกเข้ามาสู่เรือนกายนี้ได้ก็ทอดเรือนกายนี้ลงสู่พื้นแผ่นดินประดุดดังท่อนไม้ท่อนฟืนก็คือตายจากโลตีไปนั่นเองแต่เจ้าชายสิทธัสน์นั้นนับแต่เบื้องต้นที่พระองค์ออกเสวงหาโมกขธรรมแม้พระองค์จะลองผิดลองถูกไปตามเจ้ารัติต่างๆทุกสำนักในยุคในการสมัยนั้นก็ตาม แต่ถึงที่สุดแล้วพระองค์ก็เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นตามเจ้าลัทธิต่างๆทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติมานะั้นไม่ถูกต้องไม่สามารถที่นําพาให้ความพ้นทุกข์เกิดขึ้นต่อพระองค์ได้อย่างแน่แท้พระองค์จึงละทิ้งจากการลองผิดลองถูกทั้งทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็น้อมนําเอาสิ่งที่พระองค์มีอยู่แล้วก็คือลมหายใจเข้าออกนั่นแหละ มากำหนดเป็นเครื่องชำระจิตใจของผู้องค์ด้วยการกำหนดอนาปานนสติดังที่พวกเราได้พากันศึกษาได้พากันได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วว่าในวันในวันเพ็ญเดือนหกเจ้าชายสิทธัตถะได้ประทับนั่งอยู่คนต้นโพได้กำหนดอนาปานสติมาเป็นอารมณ์ของใจคือมีสติกำกับจิตให้แนบสนิทอยู่กับลมหายใจเข้าออกเมื่อลมหายใจเข้าก็รู้อยู่ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้อยู่ว่าลมหายใจออก มีสติกำกับจิตไว้ไม่ให้หลุดออกไปจากลมหายใจเข้าออกนี้เป็นเบื้องต้นที่าศาสดาของผู้ราท่านทั้งหลายได้กําหนดสิ่งที่มีอยู่แล้วในพระองค์ท่านแต่สัตว์โลกทั้งหลายมองข้ามไปเสียสิน้นมาเป็นเครื่องชําระจิตใจของพระองค์ท่านจนกระทั่งในวันนั้นก่อนลูกแจ้งพงระองค์ก็สามารถตัดสู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณขึ้นมาเป็นาศาสดาของผูเราท่านทั้งหลายจนทุกวันนี้ นี่แหละคือศาสดาของพวกเราท่านไม่ได้ไปเอาลมหายใจนอกโลกมาจากไหนเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วแล้วนั้นแหละแม้การพิจารณาทางด้านปัญญามาถอดถอนสิ่งที่จิตยึดมั่นถือมั่นงมโ ล, ลงงมงายอยู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ล้วนแต่หลงอยู่ในสิ่งที่มีอยู่แล้วพ อ, องศ์ก็นําเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วนั่นแหละมาถอดถอนออกไปอันทีจังทุกขังอนัตตา อยู่นอกโลกที่ไหนก็ล้วนแต่มีอยู่แล้วในกายในจิตดวงนี้อย่างสมบูรณ์แม้กระทั่งศีลสมาธิปัญญาเครื่องชำระเครื่องแก้ไขเครื่องปัดเป่าก็ล้วนแต่มีอยู่แล้วในทุกท่านทุกคนเพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือที่าศาสดาของบัวรอท่านทั้งหลายท่านได้นำมาบอกกล่าวพวกเรานะั้นจึงเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่สมบูรณ์ที่สุดไม่มีสิ่งใด ที่จะสมบูรณ์อีกและยิ่งกว่านี้อีกแล้วเป็นเครื่องมืออันประเสริฐเลอยิ่งที่จะมาชำระจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะชีวิตการเกิดขึ้นมาของพวกเราทุกท่านทุกคนเราก็ปรารถนาความสุขไม่มีท่านใดปรารถนาควา ม, มทุนนกข์เลยแต่ทําไมเราชีวิตของพวกเราจึงจมอยู่แต่ในกองทุกข์จมอยู่แต่ในสิ่งที่เราไม่ปรารถนาในในสิ่งที่เราต้องการทั้งทั้ที่พวกเราก็พากันด่หล่นที่เยอทียานขวนขวายเสเว่งหามาตั้งแต่รู้เดียงสาแล้ว แต่ทำไมชีวิตของเรายัางจมอยู่ในกองทุกข์อยู่ตลอดมาก็เพราะพวกเราพากระดิดลนทเยอะที่ยานขวนขวายไปตามอำนาจของโมหะความลุ่มหลงที่เป็นตัวผลักดันให้เราออกไปตามกระแสของเขาโดยเรายึดเอาโมหะความลุ่มหลงอันนี้มาเป็นศาสนา ข, ของพวกเราท่านทั้งหลายมาหลายภพหลายชาติจนนับไม่ได้แล้ว ชีวิตของพวกเราจึงจมอยู่ในกองทุกข์อยู่ตลอดมาแต่บัดนี้พวกเรามีพุทธังแสดงคาฉามิคือมีพระบุตรเจ้าเป็นศาสดาของพวกเราเราก็ควรอย่างยิ่งที่จะต้องเดินตามศาสดาของเราหันหลังให้แก่ยิเลศทั้งหลายเหล่านั้นอันเป็นศาสดาเตเก่าก่อนของพวกเราเมื่อพวกเรามี พระพุทธเจ้ามาเป็นศาสดาของพวกเราแล้วอา้าวพระพุทธเจ้าทรงเน้นลงไปในการขวนขวายเข้ามาสู่ภายในแต่เก่าก่อนพวกเราเน้นในการขวนขวายดิ้นรนแสวงหาแต่ภายนอกตามโมหะความรุ่มหลงที่มันเสรัสนปั้นแต่งว่าชีว่เราปาณาณาจาความสุขนู่นความสุขอยู่ที่นั่นอยู่ที่เงินอยู่ที่ทองอยู่ที่ยศฐานบรรดาศักดิ์อยู่ที่อยู่ที่วัตถุสิ่งของเงินทองเข้าของอยศต่างๆทั้งหลาย อันที่โลกพากันดิ้นรนที่เยอทยานขวนขวายเสวหาเพราะเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแหละคือตัวความสุขเมื่อเราได้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมาแล้วเราจะมีความสุขเราท่านทั้งหลายก็เลยดิ้นรนที่เยอทยานไปตามศาสดาแต่เก่าก่อนนั้นแต่สิ่งที่เราดิ้นรนที่เยอะอทยานขวนขวายเสวหาตามอานาจของโมหะความรุ่มหลงนั้นเราก็ได้มาเป็นมาเป็นไป ด้วยกันทุกท่านทุกคนแต่แล้วพวกเราเคยย้อนเข้ามาดูชีวิตของพวกเราที่ในการเวลาที่ผ่านมาบ้างหรือไม่ว่าก็เมื่อเราปร า, ารถนาความสุขแล้วเราพากระดิ้นหล่นที่เหยอทยานเสวงหาความสุขติ่งที่เราดิ่งหนที่เหยอทยานเสวงหามันก็ได้มาเป็นไปอยู่ในชีวิตของพวกเราแล้วส่วนไหนล่ะคือความสุขถ้าหาแม้พวกเราพากระน้อมย้อนเข้ามาพิจารณาดูกายดูใจของเราเองแล้ว เราจะเห็นชัดเจนว่าชีวิตการเวลาที่ผ่านมาของพวกเรานั้นล้วนแต่เพิ่มในสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเราไม่ต้องการก็คือเพิ่มภาระมากขึ้นเพิ่มความผลุงพลังมากขึ้นเพิ่มความยุ่งเหยิงวุ่นวายมากขึ้นเพิ่มปัญหาขึ้นมามากขึ้นในชีวิตของพวกเรา ส่วนธาตุขันร่างกายของเราหรือกะแก่เท่าลงไปแก่เท่าลงไปเสื่อมโทรมลงไปไอ้ความแก่เท่าฟา ร, รมเสื่อมสทมของธาตุขันร่างกายนี้มันก็พร้อมกับนําเอาโรคภัยไข้เจ็บเอานำเอาฟา ร, ร์ยุ่งยากเข้ามาครอบงําเรือนกายของเรามากขึ้นมากขึ้นแล้วสักวันหนึ่งฟา ร, ร์มแตกดับก็มายืนเรือนกายนี้ชีวิตการเกิดขึ้นมาของพวกเราจึงกระทั่งจุ ด, จ ด, จ ด, จดสุดท้ายนั้น ก็มีแต่การวิ่งไล่ฟาร์มสุกแต่นับวันฟาร์มสุกก็จะวิ่งห่างเราออกไปนี้ห่างออกไปห่างออกไปจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายปลายแดงของชีวิตเป็นวันศูนย์เป่าที่สุดล้มละลายบทสิ้นไม่มีสิ่งใดเป็นชิ้นเป็นอันล้วนแต่คืนสู่เจ้าของเขาเดิมบทสิ้นแม้นกระทั่งเรือนกายของเราเรายังต้องคืนลงสู่ผืนโลกนี้ เพราะฉะนั้นโลกนี้จึงเป็นโลกที่สมบูรณ์ไม่ใครไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยเพราะไม่ว่าสัตว์โลกประเภทไหนอุบัติเกิดขึ้นมาบนโลกนี้แล้วก็เพียงแค่มาเกี่ยวข้องรูปรูปคําำอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็จากไปแม้จะมายึดมั่นถือมั่นว่านั่นเป็นของเรานี่เป็นของเราแต่ก็ไม่มีใครสามารถที่แบกหามเกาะกลวไปด้วยได้เพียงแค่มารูปรูปคำค ำ, คำอยู่ช่วระยะหนึ่งแล้วก็จากไปโลกนี้จึงเป็นโลกที่สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา ถ้าหากสัตว์โลกเกิดอุบัติขึ้นมาบนโลกนี้แล้วต่างท่านต่างคนต่างมาแบกหางกอบโกลธไปได้โลกนี้คงจะไม่เหลือที่ให้พวกเรายืนอย่า ง, างทุกวันนี้แต่นี่โลกยังคงเป็นโลกคือโลกสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลานี่แหละการวิ่งตามกระแสของกิเลสที่พวกเราพากรยึดเป็นาศาสดามาหลายภพหลายชาตินั้นจะเป็นอยู่อย่างนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนไม่ได้แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นมาในชาติชั้นวรรณะไหนก็าตามก็ล้วนแต่เดินบทเส้นทางเดียวกันแต่บัดนี้พวกเรามีโอกาสแล้วที่เกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธเรามีพระพุทธเจ้าเป็นาศาสดาของพวกเราดังที่พวกเราได้กลาพวพระองค์ท่านว่าพุธทธังทำมังสังขังสนังขฉามิเรามีหลักยึดประจําจิตประจําใจด้วยกันทุกท่านทุกคนเอาสิสาศาสตาของพวกเราเน้นลงไปที่ใจของพวกเราเพราะเรือนกายของพวกเราไม่ได้แตกต่างกัน ทุกท่านทุกคนเมื่ออุบัติเกิดขึ้นมาบนโลกนี้แล้วมีเสมอเหมือนกันหมดไม่มีใครแตกต่างกันเลยเพราะธรรมชาติอันนี้เขาให้มาเสมอเหมือนกันว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วค่อ้ความแก่ความเจ็บความตายมาเสมอเหมือนกันเราก็ได้เรือนกายนี้มาเราก็เป็นภาระหน้าที่ของเราตามหลับใบบรรจักพลาฮะเวเปัญจักขันธ์า ขันห้านี้เป็นภาร่าที่เราจะต้องเยียวยาดูแลบริหารมันเพียงเพียงเพื่อให้มันอยู่ได้เพื่อมาเป็นเครื่องมืออันประเสริฐเพื่อจะมาชำระจิตใจของเราตามหลักทำที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้นั้นนี่แหละเรือนกายของพวกเราไม่ได้แตกต่างกันแต่สิ่งที่เราจะแตกต่างกันก็คือจิตดวงนี้แม้นจิตดวงนี้ที่เราได้รับการอบรมดีแล้วนั้น นั่นแหละจะยังความมีคุณค่าขึ้นมาในชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกเราเราจะเกิดขึ้นมาในตระกูลไหนก็ตามจะเกิดขึ้นมาในตระกูลของมหาเศรษฐีหรือครอบครัวที่มียศถาบรรดาศักด์เต็มบ่าไหลแต่จีใจนั้นมีแต่ความเศร้าหมองขุ่นงัวมีแต่ความกุ้งอกกุ้มใจมีแต่ความขับแข็งใจมีแต่ความทุกข์บีบ ค, คั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วชีวิตของพวกเราจะมีคุณค่ามาจากไหนเล่าเปียบประดุจเหมือนบ้านเรือน จะเป็นบ้านเรือนที่ใหญ่โตโก้หรูหราไปเกิหัสขนาดไหนก็ตามแต่บ้านเรือนนั้นมีแต่ความสบกสบกโศโคกรรกลุงหลังไปด้วยสิ่งที่หน้าสิอิดเอียนหน้าขยะกขยแงเต็มบ้านเต็มเรือนแล้วมาพิจารณาดูว่าบ้านเรือนหลังนั้นหน้าอยู่แล้วหรือจะตั่งที่ไหนแต่นอนจุดใดก็มีแต่ความหน้าขยะกขยงหน้าสิอิดเอียนผลที่สุดบ้านนั้นแม้จะเป็นบ้านใหญ่โตเกินเลยขนอย่างไร ก็ตามเถอะที่สุดแล้วก็จะเป็นบ้านล้างได้โดยง่ายอย่างแน่นอนแต่บ้านแม้แม้ไม่ต้องไม่ต้องเป็นบ้านใหญ่บ้านโตเป็นบ้านธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่มีความสะอาดสะอา้านมีระเบียบเรียบร้อยพื้นนิสสะอาดจนงามเงาเงาแวววับจะนั่งที่ไหนจุดไหนจะนอนจุดไหนก็มีแต่ความสบายอกสบายกายสบายใจบ้านนั้นแหละจะเป็นบ้านที่มีคุณค่าที่สุด ชีวิตของพวกเราก็เช่นกันเราจะเกิดขึ้นมาในชาติชั้นวรรณะไหนตระกูลไหนก็ตามที่จะมีคุณค่ามีความประเสริฐกับพ่อจิตใจดวงนี้มีความสุขมีความเบิ่บานมีความผ่องใสนั่นเองตัวนี้จิตใจจะมีความสุขความเบิ่อบานโดยตัวเขามันเองนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เปรียบดุจมันบ้านเรือนบ้านเรือนถ้าเราปล่อยปะละเหลือจใจมันสะอาดโดยตัวเขามันเองนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะสภาพแวดล้อมนั่นแหละจะเป็นตัวที่ทําให้บ้านนั้นสกปรกโสโ ค, โครกรกลุงหลังบ้านที่จะสะอาดสะอ้านได้ก็ต้องเกิดขึ้นมาจากพวกเรามีความภาคภาความเพียรที่จะมาปัดฝัดเช็ดถู ด, ดูแลทําความสะอาดเขามัน่นทําความสะอาดเขามั่นจัดสิ่งจัดของให้เข้าที่เข้าทางให้มีระเบียบเรียบร้อยขึ้นมาบ้านนั้นจึงจะสะอาดได้หัวที่สุดบ้านนั้นก็เป็นบ้านที่ประเสริฐเป็นบ้านที่น่าอยู่น่าอาศัยใจใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็เช่นกัน การปล่อยปละละเลยจิตใจแล้วจะให้จิตใจนั้นมีความเบิ่บานมีความสงสัยมีความสุขในตัวเขาไม่ได้งนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะสภาพแวดล้อมด้วยอํานาจของกิเลสมันย่อมนําพาแต่ความสกบกลกลุ้มลังโสโคกเข้ามาครอบงําจิตใจของตนเองอยู่ล่ําไปด้วยความนึกคิดปรุงแต่งตามอํานาจแห่งโมหะควารรมลุ่มหลงที่นําพาไปเป็นเครื่องมือนําเอาแต่ความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจเข้ามาสู่จิตสู่ใจนี้อยู่ล่ำไป เพราะนั้นจิตใจดวงนี้จะมีความสะอาดสะอ้านได้ก็ต้องเกิดขึ้นมาจากการปัดฝัดชำระการปัดฝาดชำระจิตใจของเราหลักสําคัญก็ด้วยจิตตภาวนาพระพุทธเจ้าของพวกเราเป็นาศาสนาเอสองัโลกขึ้นมาที่พวกเราได้กราบท่านว่าพุทธังสังขฉามีนั้นเกิดขึ้นมาจากการปัดฝัดจิตใจด้วยจิตตะภาวนาแม้นพระสงสาวกอะไรหันก็เช่นกัน เริ่มเดิมทีท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากพวกเราเราโอแต่กิเลสหนาปัญญาหยาบอย่างเราเราท่านท่านแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความเชื่อมั่นในเครื่องไม้เครื่องมือของาศาสตาแล้วก็น้อมนําเอาเครื่องไม้เครื่องมือนั้นแหละมาปัดฝาดเช็ดถู จ, จ, จ, จิตใจของท่านด้วยจิติยภาวนาอีกเช่นกันที่สุดแล้วเราก็ได้กราบท่านทั้งหลายเหล่านั้นว่าสังขารสร้างกระชามิมาถึงทุกวันนี้ นี่แหละเป็นพยายนยืนยันถึงธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเมื่อท่านใดน้อมนํามาเป็นเครื่องมือปัดฝัดเช็ดถูจิตใจด้วยจิตตโภโพนาแล้วบุคคลนั้นย่อมสามารถก้าวไป ส, สู่จุดหมายไปทางดังเช่นาศาสดาถึงแล้วเราจึงได้กราบท่านตั้งหลายเหล่านั้นว่าสังขัรสร้างคัจฉามิมาถึงทุกวันนี้ก็ยังมีอย่างต่ อ, ì, อ or, เนื่องไม่ได้ขาดวักขาดตอนไม่ได้ขาดสายเลยในคําว่าสังขัรสร้างคัจฉามินั้น นี่ก็แสดงว่าธรรมของที่เจ้านั้นเป็นอากาลิโกไม่ประกอบไปด้วยการด้วยสมัยไม่ว่าการใดสมัยใดก็ตามเมื่อยังมีผู้ที่น้อมนำมาเป่าพุปฏิบัติแล้วโลกก็ยังมีพระอาหารหันต์อยู่ตับนั้นเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายพากันเชื่อมั่นในาศาสดราของพวกเราเองแล้วเอาเราน้อมนำเอามาเป็นเครื่องมือที่จะมาชำระปราชญชิดถูจิตใจของเรา เพราะการปล่อยปลอยละละเลยจิตใจของพวเราเองแล้วให้มันสะอาดโดยตัวของมันเองนั้นเป็นไปไม่ได้ดังที่พวกเราก็เห็นเห็นอยู่สัมผัสกันอยู่ทุกวันแล้วว่าจิตใจของพวกเรามันมีแต่ความเล่ห์ล่อนนึกคิดบุงแต่งออกไปตามอดีตอนาคตกระทบกับเรื่องราวหน้ายินดีน่ายินไล่กุศลบ้างอากุศลบ้างยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับอารมณ์ต่างๆทั้งหลายครอบงำจิตใจของเราโศกบกโลกลุงหลังไปด้วยอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายอยู่ตลอดเวลา หรือบางท่านบางท่านปล่อยปะละเลยให้อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายสกปรกลกลุงหลังครอบงามจิตใจของตนเองจนกระทั่งใจนั้นพังไปทั้งใจเป็นผีบ้าไปก็มีหรือจนกระทั่งทนอยู่ในอัตภาพตัวตนเอ ง, เอ ง, เองไม่ได้ทําอัตโนิบตัตทําลายร่างกายนี้เขสเสียก็มีนี่อาการปล่อยปะละเลยจิตใจ มันจะเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกท่านทุกคนไม่ได้แตกต่างกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าพวกเรามีความเชื่อมั่นในในเครื่องไม้เครื่องมือของพระพุทธเจ้าแล้วเอา้าวเราน้อมนำมาอบรมจิตใจของพวกเราเพาะใจของพวกเราเจ็ดปอยมันอยู่เฉยเฉยมันสงบโดยตัวของมันเองไม่ไดนะ้มันจะสงบได้ด้วยการอบรมจิตอบรมใจด้วยจิตอภิวนรในตับตั้งแต่เบื้องต้น เรายกเอาวิธีการของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้นำมันสิ่งที่มีอยู่แล้วคือลมหายใจเข้าออกเข้ามาเป็นหลักยึดของจิตเพื่อไม่ให้จิตนี้ไม่เล่ร่อนออกไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอดีตอนาคตต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อจิตมันอยู่กับปัจจุบันเราก็ยกเอาอนาปานสตินั่นแหละมากหนดเป็นอารมณ์ของใจด้วยความมีสติกากับจิตให้แนบสนิทอยู่กับลมหายใจเข้าออกเมื่อหายใจเข้า ก็รู้รู้อยู่ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้อยู่ลมหายใจออกอย่าไปคาดหมายอดีตอนาคตอย่าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งโน้นสิ่งนี้วางเขาไอ้สิ่มแม้เลือนกายของเราเราก็วางปลงวางเขาให้เขาเป็นไปโดยธรรมชาติว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีเกิดก็มีต้องมีดับไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วไม่ดับเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งใดเขาเกิดเองได้เขาก็ดับเองได้โดยเราไม่ต้องไปคาดหมายไม่ต้องไปปรุงแต่งเขา เพียงแค่กำหนดติดอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนี้เท่านั้นด้วยความมีสติกำกับไว้แต่ด้วยกุศโลบายของชาววัดป่าเราที่เป็นสานุสิกขององค์หลวงปู่มัน่นก็ได้นำกุศโลบายขององค์หลวงปู่มั่นมาเพื่อปฏิบัตสิสำทับเข้าไปเพื่อให้มีความรู้สึกแน่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งด้วยการสำทับด้วยคำบริกรรมว่าพุโทโธกำ ก, กับไปกับลมหายใจเข้าออก เมื่อหายใจเข้านึกในใจไปพร้อมว่าพูดลมหายใจออกนึกในใจไปพร้อมว่าโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโท่ด้วยความมีสติ ก, กํากับให้แนบแน่นอยู่อย่างนั้นโดยไม่ต้องไปคาดหมายถึงการเวลาถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้วางเข้าให้สิ้นถ้าหากบุคคลผู้ที่ยังฝึกขัดใหม่ๆสติที่กํากับจิตอาจจะไม่ต่อเนื่องมีการขาดวักขาดตอนจิต ก, ก็จะหลุดออกไปจาก การสัมผัส ร, รับทราบอยู่ในลมหายใจเข้าออกก็จะไปเล่ร่อนออกไปกับความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆทั้งหลายกระทบกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายหน้ายินดีบ้างหน้ายินร้ายบ้างก็าตามแต่เมื่อเรามีสติกมนระลึกได้ขึ้นมาเราอย่าไปกังวลดีใจเสียใจชอบหรือชังในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นปล่อยเขาไปตามธรรมชาติเขาให้เรารีบมาทาหน้าที่ของเราใหม่ มันเริ่มที่งานของเราใหม่งานของเราที่เราเริ่มต้นคือมาจากการกาหนดลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนเราก็มาเริ่มที่ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนได้ใหม่เมื่อเราหมั่นทําอยู่อย่างนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าความลมลุกคุก ค, คานตั้งแต่เบื้องต้นก็จะค่อยๆห่างหายออกไปจิตจะมีความคุ้นเคยกับการกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมาเป็นอารมณ์ของใจมากขึ้นมากขึ้น เมื่อมีความคุ้นเคยจิตก็จะแนบสนิท ก, กับสัมผัสของลมเข้าลมออกชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่เคยครอบงาจิตในจิตกระตั้งกระเดื่องไปกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายก็จะจางออกไปจางออกไปจิตนี้จะมีความละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปความละเอียดของจิตนี้ เราก็เริ่มสัมผัสถึถงความสบาย อ, อกสบายใจถึงความเบิก บ, บานผ่องใสที่เข้ามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจแทนที่อาลมเรื่องราวเครื่องก่อกวนจิตก่อกวนใจทั้งหลายเหล่านั้นบ้างแล้วนี่เราเริ่มเห็นคุณค่า ข, ของการภาวนาขึ้นมาบ้างเพราะชีวิตของพวกเรานับตั้งแต่รู้เดียงสามาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเราพากันดิ่หลนทีเยอะที่ยานไปตามความอยากปรารถนาต้องการความสุข เราก็พากระดิ่นลนที่เยอะที่ยานมาแต่ไหนแต่ไรมาแต่สิ่งที่เราได้มาเป็นเป็นไปนั้นไม่เคยให้ความสบายอกสบายใจแกพวกเราประดุดตังที่เกิดขึ้นมาจากการภาวนานในขณะนี้เลยนี่เราจะเห็นชัดเจนถึงความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่นี่แต่เรามองข้ามมาเสียสิน้นมากี่วันกี่เดือนกี่ปีมาแล้วแต่แม้เราจะมองข้ามาด้วยความลุ่มหลงมัวเมา แต่ไหนแต่ไรมาก็ตามแต่บัดนี้เราก็พอมีความเฉลียวฉลาดเห็นสภาพความไปกินปลากฏขึ้นมาที่ใจของเราบ้างแล้วเมื่อเราเห็นชัดเจนอย่างนี้ขึ้นมาแล้วความเชื่อมั่นในธรรมของพระเจ้าว่าจะเป็นเครื่องมือขัดเกลวเอาทุกข์ให้จางออกไปจากจิตจักใจของเราได้อย่างแน่นนอนนีเ่เมื่อเรามีความเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้ฉันท้าความพอใจ ต่อการประกอบความภาพความเพียรมันก็หนุนเข้ามาหนุนก็มาการทําความเพียรของพวกเราเราก็สามารถทําได้หนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจิตนับวันจะมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจากการทําความเพียรของพวกเรานั่นเองเมื่อจิตยิ่งมีความาละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปยิ่งมีความเบิ่บานความผ่องใสเข้ามารอเลี้ยงจิตใจมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งจะไม่เดินช้าวันหนึ่งจิตนี้จะรวมเข้าสู่ความสงบ ได้อย่างแน่นอนเมื่อจิตรวมลงไปสู่ฟาร์สมสงบไปถึงฐานของตัวจิตเองแท้จิตนี้จะวางปลงวางทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตเคยข้องแวะเกาะเกี่ยวมาวางหลุดออกไปหมดสิ้นจากจิตจากใจใจจะอยู่เฉพาะใจด ว, ดวงเดียวล้วนๆจะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเลยแม้กระทั่งร่างกายนี้ก็มีไม่ไมีอยู่ในความ ร, รู้สึกของใจเพราะใจดวงนี้ไม่ไม่ออกมาเกี่ยวข้องกับสิ่งใดๆทั้งสิ้น นี่แหละเราจะเห็นชัดเจนว่าจิตเป็นจิตกายเป็นกายอย่างไม่สงสัยอีกต่อไปแล้วความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่กายมันอยู่ที่จิตดวงนี้นี่เรามีความเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้อย่างแน่นอนเมื่อจิตอิ่มพออยู่ในความสงบแล้วจิตเริ่มถอนตัวออกมาจากความรวมตัวขยับออกมาสัมผัสรับทรบาบถึงเลือนกายนี้ ในขันต่างๆไม่ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ จ, จิตนี้ก็เริ่มมาสัมผัสรับทราบในขันทั้งหลายเหล่านั้นแต่ จ, จิตที่ Kel รวมตัวเข้าสู่ความสงบอิ่มพอของ จ, จิตที่ถอนตัวออกมาสัมผัสรับทราบในขันทั้งหลายเหล่านี้นจะแตกต่างจาก จ, จิตแต่เก่าก่อนที่ยังไม่เคยมีความสงบจนเปรียบเทียบกันไม่ได้พอ จ, จิตแต่เก่าก่อนที่ยังไม่เคยมีความสงบนั้นสัมผัสรับทรบาบในขัน ต่างๆทัง้ ง, ง, ง, งหลายแต่ก็ไปยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งหลายเหล่านั้นตามอำนาจของโมหะ อ, อลมลมหลวงเมืม่อไม่เป็นตามตนเองคาดหมายไว้มันก็มีแต่ความทุกบีบขันเข้ามาแต่บัดนี้จิตที่มีความสงบอิ่มพออยู่ในในใ น, ในการรวมตัวของจิตแล้วทอออกมาสัมผัสรับทราบในขัน ต, ต่างๆทั้งหลายเหล่านี้แต่จะไม่หวั่นไหวเอเอียงไปกับขันทั้งหลายเหล่านี้ อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเราจะสัมผัสกับสิ่งใดทั้งตาหูจมูกลิ้งกายด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ตามจะไม่สามารถมาครอบงําจิตใจของเราให้เอ็เอียงวันไหวไ ป, ไปกับสิ่งที่มาสัมผัสพระพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบว่าเจตที่ถอนออกมาที่มีความตั้งมั่นหลักแน่นมั่นคงนี้ประดุจที่เราเรียกกันว่าสมาธินั้นประดุจดังภูเขาศิลาแท่งทึบที่ไม่วันไหวเอ็นเอียงไปกับลมมาที่พัดกระนํามาจากสี่ทิศแปดทาง ไม่ว่าลมประเภทไหนก็ตามพัดมากระทบภูเขาศิลาแท่งทึบนี้มีแต่แตกกระจายออกไปจิตที่มีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเป็นสมาธิก็เช่นกันแม้สัมผัสกับสิ่งใดก็ตามจะเป็นโลกกระทำในส่วนที่น่ายินดีหรือน่ายดีร้ายก็ตามโลกกระทำทั้งหลายเหล่านั้นอันเป็นธรรมดาของโลกก็ไม่สามารถมาครอบงําจิตใจของเราให้วันไวเ อ, เอียงไปกับโลกกระทำทั้งหลายเหล่านั้นได้จิต น, นี้ก็มีความเป็นปกติหนักแน่นมั่นคง เมื่อมีความเป็นปกติแล้วจิตออกไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆทั้งหลายนับตั้งแต่เรือนกายนี้ออกไปรอบก็จะออกไปเกี่ยวข้องได้ด้วยความแยกคายลอกขอ บ, อบซึ่งเราเรียกกันว่าปัญญาปัญญานี่แหละจะที่คายแยกแยะพิจารณาสิ่งที่เคยครอบงมจิตใจของเราด้วยอำนาจของบหะมาให้ขี่คายออกไปตามสภาพความเป็นจริงของเขาคว า, ามจริงทั้งหลายมันมีอยู่อย่างไรให้เปิดเผยออกมา ด้วยปัญญาที่เขาไปขี้คายแยกแยะพิจารณานี่แหละปัญญาที่มีสมาธิเป็นตัวหนุนแล้วไม่มีสิ่งใดที่สามารถมาปิดกั้นความจริงไว้ไม่ให้จิตดวงนี้ทะลุเข้าไปถึงความจริงนั้นได้อย่างแน่นอนเอานับตั้งแต่การพิจารณาเรือนกายนี้ที่พวกเราพากันยินดีพอใจยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นตัวตนมันเป็นสิ่งที่น่ายินดีน่าพอใจสวยงาม พอมันไม่เป็นไปดังที่ตนเองคาดหมายเราก็เป็นทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจเกิดเป็นไปสเสริมกิเลสความกดธความโลภความหลงราคะตตนาให้เพิ่มพูนขึ้นมาครอบงํากัดกอดเหยียบย่ําทําลายจิตใจดวงนี้มาแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเอาสิเราทั้งๆ้ง ท, งที่ดูกับเรือนกายนี้มาตั้งแต่วันเกิดแล้วหรือมาเกิดมาทุกภพทุกชาติก็ร่วนแต่มีเรือนกายนี้เป็นที่อยู่ที่อาศัยของจิตลสดวงนี้ แต่เราไม่เคยพิจารณาไม่เคยชี้ขายก็ปล่อยให้แต่โมหาความลุ่มหลง ม, มันครอบงาำความจริงไว้ปิดบงังความจริงไว้เมื่อโมหาความลุ่มหลงครอบงำความารจริงไม่ให้เราเห็นตามสภาพความจริงนั้นก็ให้กิจปล่อยให้กิเลสมันเสกสรรปั้นแต่งไปอย่างไรเราก็เชื่อยึดมัน่นถือมั่นไปตามกิเลสที่มันเสกสรรปั้นแต่งเอาแต่บัดนี้เรามีทำที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้เป็นเส้นทางเหตุการณ์ดำเนินของพวกเรา เราก็ดําเนินไปบนเส้นทางที่พระพุทธเจ้าได้ปูวางไว้ด้วยปัญญาของเราเองที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ว่าเขาเป็นอ ส, สุภอ ส, สุภังเป็นปฏิกูลโสโคกเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงมันจริงหรือไม่บนเส้นทางนี้เอาเราเดินเข้าไปขี้คายพิจารณาไปบนเส้นทางนี้แหละดูซิพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงของมันนับตั้งแต่ที่พวกเราพากันเสกสรร์ปั้นแต่งส่วนไหนส่วนไหนบนเรือกายนี้ ว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามน่ารันากน่ายินดีน่าพอใจเรายกเอามาแต่ละส่วนแต่ละส่วนที่มันเราเคยเสกสรรปั้นแต่งหลงยินดีพอใจว่ามันเป็นของสวยของงามของน่ายินดีน่าพอใจไม่ว่าจะส่วนใดบนเรือนกายนี้ทอทอนมันออกมาเป็นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละอันแต่ละอันอนอนอกมาในความแปรเปลี่ยนไปของเขาเขาแปรเปลี่ยนไปในสภาพไหนแต่ละวันแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปี แม้กระทั่งว่า ม, มันอยู่ในปัจจุบันนี้เราพากระชำระสาสางตกแต่งมันไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นของหอมของออของสีสันย้อมทาได้เราก็เศษสันปั้นแต่งขนขวายเสวยหามาย้อมมาทามาตกมาแต่งเข้าไปขณะเราพากระชำระสาสางย้อมย้อมทาตกแต่งมันสิ่งที่มันเล็ดลอดออกมาจาก การตกแต่งของพู้เรามันยังคอยเล็ดรอดออกมาด้วยความเป็นปตกุลโสโคกไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหรือสีสันหรือกลิ่นก็ตามแล้วท่านเรือนคายนี้ไม่มีการชําระสระสางตกแต่งเลยเรามาพิจารณาดูว่าสภ า, ภาพความเป็นจริงแท้เขาจะเป็นอย่างไรเราลองมองดูผีบ้าที่มันเดินอยู่ตามข้างถนนโฟซัดโซเซไปมันไม่เคยได้ชําระสระสางตกแต่งเลยมันเป็นอย่างไรสภาพ มันน่าเสอิสเอียนหน้าขยัแขยแยงขนาดไหนกินนี้เดินเข้าใกล้จะบุกจะหักนั่นแหละสภาพความจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่ที่พวกเราทุกวันนี้มันหลอกตัวเราเองหลอกแต่ตาผู้อื่นเขาหลอกด้วยการชําระสาสางตกแต่งหลอกด้วยอำนาจของโมหะคว า, ารมรุ่มหลงถ้าเราขี้คายพิจรารณาลงไปตามสภาพความจริงมันไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถปิดบังปัญญาดวงที่มีสมาธิเป็นตัวหนุนได้ นับตั้งแต่การพิจารณาขี้ขายตั้งแต่ยังมีลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องหลอเลี้ยงจนกระทั่งหมดลมหายใจเขาออกเปนเครื่องหลอเลี้ยงเลือนขายนี้สภาพที่มันจะแสดงออกมาตามสภาพฟารมไปจริงของมันมันจะเป็นอสุภะอสุผังยิ่งขึ้นขนาดไหนเรามาพิจารณาดูมีใครยินดีพอใจในกองซากกองศพนี้ไหมกําหนดลงไปอย่าให้มีสิ่งใดปิดบังนี้รับปัญญานี้ได้ ที่ขายแยกแยะพิจารณาจนกระทั่งเห็นชัดเจนในสภาพของความเป็นปีกูนโสโคนะคับตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะไม่มีส่วนใดเหลือในความเป็นสุภาพความเป็นสิ่งที่สวยงามน่ารักน่ายินดีพอใจเลยนี่ดูตามสภาพความเป็นจริงของมันในสภาพของอสุภะอสุพังดูเข้าไปวันไหนวันไหนก็พิจารณาเข้าไปไม่ต้องไปคาดหมายว่าฉันพิจารณามาแล้วร้อยครั้งพันครั้ง ตราบใดก็าตามที่จิตยังไม่ยอมรับในสภาพของอสุภะอย่างแท้จริงพิจนารณาลงไปเปรียบประดุจเหมือนการรับประทานอาหารเราไม่ต้องไปคาดหมายไม่ต้องไปนับว่าเรารับประทานมาแล้วกี่คํากี่คํากี่คําเพียงแค่ตราบใดก็าตามมันยังไม่อิ่มมีหน้าที่รับประทานลงไปรับประทานลงไปโดยไม่ต้องไปนับคําแต่เมื่อเราเมื่อถึงที่สุดที่เราการรับประทานของเราไปถึงจุดหมายไปทางความอิ่มปักกิขึ้นแล้วไม่มีท่านใดสงสัย แม้จะไม่มีใครเคยมาบอกกล่าวสั่งสอนเราก็ตามนับตั้งแต่เราเกิดมาพ่อแม่ไม่เคยสอนไม่เคยบอกเลยว่าความอิ่มมันเป็นอย่างไรแต่ก็ไม่มีท่านใดสงสัยในความอิ่มของตนเองเพราะมันเป็นสันทิิโกจะรู้เองเห็นเองสัมผัสได้ตัวเราเองการปฏิบัติธรรมก็เป็นเช่นนั้นจะต้องเป็นสันทิิโกทุกขั้นทุกตอนว่าผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองด้วยสัมผัส ข, ของตัวเราเองไม่มี ความคืบแข็งสงสัยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นการพิจารณานี้ก็เช่นกันพิจารณาลงไปตราบใดจิตมันยังไม่วางลงในสุภะในความสวยความงามที่เคยลุ่มหลงมัวเมาเราก็มีหน้าที่พิจารณาลงไปพิจารณาลง จนกระทั่งจิตมันยอมรับเหตุผลของปัญญาเข้าไปชี้ขายพยิจารณาเห็นฟามเป็นอสุภะอย่างแท้จริงไม่มีสิ่งใดเครือบแข็งสงสัยเหลืออีกนิดแม้แต่นิดเดียวฟามเป็นสุภะหายหมดสิ้นไม่เหลือแม้แต่ร่องรอยเมื่อจิตมันยึดในความเป็นอสุภ ะ, ะ, ะก็มีแต่ฟามขยะขยงมีแต่ฟามรังเกียจมีแต่ฟามเสีอิดเสเอียน จะความยินดีหรือความยินไลยจะความรักหรือความชังก็ล้วนแต่เป็นกองทุกข์ธรรมะที่แท้จริงไม่ใช่ทุกข์แต่นี่เมื่อเราพิจารณาไปถึงที่สุดเห็นชัดเจนในสภาพความเป็นอดรัจุบแต่ผลที่เราได้รับก็คือความขยะขยแยงความรังเกียจความเป็นทุกข์อีกเช่นกันมันจึงยังไม่ใช่ธรรมที่แท้จริง เมื่อจิตยืดอยู่ในอสุภะไม่มีทางออกจิตดวงนี้เชื่อเถิดว่าไม่มีคำว่ายอ ม, ยอมจนตอกสัตว์มันเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกเมื่อถึงจนทางแล้วยังไงก็ต้องย้อนกลับมาจิตดวงนี้ก็เช่นกันเมื่อไปจนตอกอยู่ที่อสุภะไม่มีทางไปแล้วยังไงก็ต้องย้อนเข้ามาที่ตัวจิตเสยเอง เมื่อจิตย้อนเข้ามาที่ตัวจิตด้วยปัญญาก็เข้ามาที่ตัวจิตก็ไม่เห็นชัดเจนด้วยปัญญาของตนเองอย่างแท้จริงว่าสุภะหรืออสุภาล้วนแต่จิตนี้เละไปเสกสรรปั้นแต่งเป็นตัวให้ความหมายแล้วก็ไปยึดความหมายนั้นเอเสียเองแต่เรือนกายนี้เขาเป็นเช่นนั้นมาแต่ไหนแต่ไรเขาไม่เคยเสกสรรปั้นแต่งว่าเขาเป็นสุภะหรืออสุภะ เขามีแต่ความปิดเช่นนั้นเองมาแต่ไหนแต่ไรมาแต่จิตดวงนี้เป็นผู้ไปเสกสรรปั้นแต่งเขาว่าเขาเป็นสุภาษเกิดลงมายินดีพอใจไปยึดมั่นถือมั่นว่าเขาเป็นสุภาพอไปให้ความหมายว่าเป็นอสุภาก็ไปลงยึดมั่นถือมั่นว่าเขาเป็นอสุภาก็ล้วนแต่อยู่ที่จิตดวงนี้พอปัญญาย้อนเข้ามาที่ตัวจิตเองก็เห็นชัดเจนเลยในสมมติต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ ว่าล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากจิตดวงนี้ที่อาศัยโมหะความรุ่มหลงครอบงำไว้เมื่อปัญญาเข้ามาขี้คายพิจารณาเห็นชัดเจนโมหะความลุ่มหลงที่เคยครอบงมจิตพังทลายหลุดออกไปจากจิตความจริงเปิดเผยออกมาความปิดเช่นนั้นเองแล้วจะมีสิ่งใดเล่าเป็นสุภาษสุภาษะเมื่อจิตอยู่กับเรือนคายนี่อยู่ด้วยความจริงล้วนๆจะมีสิ่งใดปีงเกี่ยวซึ่งกันและกันอีกมันย่อม เป็นไปไม่ได้บทสิ้นอยู่ด้วยความจริงล้วนๆแม้จิต ด, ดวงนี้จะอยู่กับเรือนกายนี้ไปอีกยาวนานขนาดไหนก็ตามจะไม่มีคำว่าทุกข์จากเรือนกายนี้อีกต่อไปกายนี้จะเป็นอย่างไรก็ตามสภาพความจริงจิตก็มีแต่เพียงหน้าที่รับทราบแต่จิตนี้ก็ทราบ ว่าอาศัยเรือนกายนี้อยู่เพียงชั่วระยะหนึ่งอย่างเก่งก็ไม่เกินร้อยปีเพราะนั้นการอยู่กับเรือนกายนี้ไม่ได้อยู่ได้ยาวนานเลยก็ในขณะที่อยู่กับเรือนกายนี้แหละเป็นโอกาสที่จะอาศัยเรือนกายนี้มาเป็นประโยชน์แกนสา ร, สาระต่อตนเองและต่อผู้อื่นได้อย่างแท้จริงเพราะนั้นผู้ที่มีธรรม จึงไม่มีท่านใดที่จะท้อแท้ออดแอร์หรือขี้เกียจขี้ขานในการนําเรือนกายนี้มาเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าขึ้นมาเพราะชีวิตของบุรุษท่านทั้งหลายจะมีคุณค่าขึ้นมาด้วยการกระทําไม่ได้มีคุณค่าจากการเกิดขึ้นมาในอัตภาพนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณค่าของคนเราที่มีความแตกต่างกันมากน้อยก็เพราะเกิดขึ้นมาจากการทํา ประโยชน์แก่สารสาระต่อตนและต่อผู้อื่นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงท่านจึงทรงเตือนพวกเราท่านทั้งหลายไว้ในปัจฉิมโอวาทวัคยาวยธรรมมาสร้างฆาลาปมาเดนะสัมปาเดธาท่านบอกว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเพราะนั้นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเข้ามาถึงความจริงแท้ ของการอยู่กับเรือนกายนี้แล้วท่านจึงเห็นคุณค่าของพาสิทธินี้ของปัดชิมโอวาทนี้อย่างแท้จริงท่านจึงไม่นอนใจในการที่มุ่งหน้าในการสร้างคุณสร้างประโยชน์ขึ้นหมาย ใ, ให้สุดกำลังฟวามสามารถก่อนที่จะคืนเรือนกายนี้ไปสู่ธรรมชาติของเขา ก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ที่จิตดวงนี้ที่ระ ง, งับดาบจากเครื่องก่อกวนจิตก่อกวนใจทั้งหลายด้วยอํนานาจของกิเลสแม้นเพียงแค่สงบระ ง, งับอารมณ์ต่างๆทั้งหลายได้ด้วยอํนานาจของสมาธิเรายังสัมผัสถึงความสุข ที่เหนื อ, อยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกประการที่พวกเราเคยสัมผัสกันมาแล้วดังเช่นพาสิทธิที่ยกขึ้นมาไว้กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่านัตถิสันติประลังสุ ข, ขังความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายล้วนแต่สัมผัสกกามคุณทั้งหลายอันได้โลกปาณาญิยินดีต้องการมาด้วยกันทุกท่านทุกคนไม่เป็นที่สงสัยเครือบแคงอีกเลยแต่ความสงบ ข, ของเราเรายังไม่เคยสัมผัสพอจิตมาสัมผัสเท่านั้น เรามีข้อเปรียบเทียบแล้วเราเชื่อมั่นลงไปเห็นชัดเจนว่าฟาร์มสงบนี้มีความสุขเหนือยิ่งกว่าฟาร์มสุขทุกสิ่งนับประการที่พวกเราเค้สัมผัสสัมพัสกันมาที่พวกที่เจ้าทรงยอกว่าฟาร์มสุขอื่นก็คือฟาร์มสุขของชาวโลกนั่นเองสุขด้วยกามคุณทั้งหลายสุขด้วยรูปเสียงจิ่นรสสัมผัสต่างๆทั้งหลายพอเรามาได้สัมผัสนับตั้งแต่ฟารมสงบ ขึ้นมาที่จิตของเราแม้จิตของเรายังไม่ก้าวไปถึงจุดหมายไปทางลังงับดับซึ่งเครื่องก่อกวนจิตก่อกวนใจด้วยกิเลสอาสวะทั้งหลายเพียงแค่สงบด้วยสมาธิเราก็มีความเชื่อมั่นในความสงบที่สุดถึงแม้ในขณะ น, นี้จิตของเรายังไม่สัมผัสก็ตาม เมื่อเรามีความเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้แล้วความภาคความเพียรของเราจะมีแต่ความบุ่งมัน่นเดินไปสู่จุดหมายไปทางอย่างไม่ท้อแท้อย่างไม่ถอยหลังอย่างแน่ น, นอนแล้วเมื่อจิตที่ได้ประพฤติปฏิบัติพิจารณามาจนกระทั่งถอดถอนอุปทานความยึดมัน่นถือมั่นในอัตตาตัวตนลงไปแล้วปัญญานั้นจะไม่นิ่งเฉยเปียบประดุดเหมือนไฟที่เราเผาป่า เมื่อเราพยายามจุดไฟเผาป่าจนกระทั่งไฟมันติดแล้วเมื่อไฟมันติดตาบใดก็ตามป่านั้นยังมีเชื้อของไฟหยุดจุดไหนอยู่ในซอกบุมไหนไฟนี้จะไม่นิ่งเฉยไฟนี้จะลามก็ไปแผดเผาก็ไปแผ่เผาก็ไปจนกระทั่งเชื้อมันดับสิ้นหมดสิ้นไปจากป่านั้นไฟนั้นก็ไม่จำเป็นอีกปัญญาของพวกเราก็เช่นกันเมื่อปัญญาที่เราจุดติดเปียบเป็นจุดดังไฟเผาป่านั้น ในการพิจารณากายจนกระทั่งถอดถอนอุปทานความยึดมัน่นถือมั่นในอัตตาออกมาแล้วแมนจะยังมีความลุ่มหลงส่วนใดที่มาครอบงำจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นขันธ์อะไรก็ตามเวทนาสัญญาสัขานวิญญาณก็จะไม่พ้นต่อปัญญาดวงนี้ที่คายแยกแยกพิจารณาไปตามสภาพความจริงที่มันแสดงอยู่ตลอดเวลาที่พวกเราแต่เก่าก่อบมันก็มีอยู่แต่ไม่เคยมองเห็นแต่ับันี้ เรามีปัญญาดวงเอกที่เดินตามสิ้นทางที่บุริเจ้าได้ทรงชี้ไว้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันแสดงตัวตนเข้ามาอยู่ตลอดเวลาว่าอาธิจั่งหรือทุกขังหรืออนัตตาเอาปัญญาดวงนี้จะขี้คายออกไปดูตามสภาพความเป็นจริงของมันจริงอย่างไรมันจะปรากฏขึ้นมาต่อปัญญาดวงนี้จนกระทั่งทอถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งหลายเหล่านั้นเสียสิ้นแม้กระทั่งตัวจิตเอง จิตยังไม่นอนใจในตัวจิตมีสิ่งใดที่ครอบงําจิตเคลือบแฝงอยู่ภายในจิตจิตดวงนี้ก็ไม่นิ่งเฉยปัญญาก็จะบักขี่คายเข้ามาที่ตัวจิตเองจนกระทั่งสิ่งที่สิงอยู่สิ่งที่ครอบงําจิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟารมเบิก์บานฟารมผ่องใสยอย่างไรก็ตามดังที่ชันกล่าไวไว้ว่าประพัฒน์ราบีดังจิตตังทิกเว จิตเดิมเดิมนั้นมันเลื่อมประพัดสอนไอ้ความเลื่อมประพัดสอนนี่มันอีกตัวหนึ่งมันครอบงําสิ่งอยู่ภายในจิตปัญญานี้แหละจะเข้าไปขี้ขายสิ่งที่เข้ามาเกาะเกี่ยวครอบงําจิตตัวนี้หลุดออกไปตามสภาพฟามไปจริงเขงมันเพราะฟาร์มจริงมันเปิดเผยออกมาฟารมแปลกปลอมจะทนอยู่ไม่ได้เพราะฟาร์มแปลกปลอมนั้นเกิดขึ้นมาด้วยอํานาจของโมหะเมื่อโมหะถูกทําลายออกไปด้วย ปัญญาแล้วความจริงก็ต้องเปิดเผยออกมาความจริงเปิดเผยออกมาไม่ก็ดูเฉพาะความจริงล้วนๆไม่มีสิ่งใดมาเครือบแฝง น, นั่นแหละจุดหมายไปทางที่พวกเราท่านทั้งหลายปารถนาต้องการที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่าปรมังสุขขังเป็นสุขอย่างยิ่งอยู่ที่นี่อยู่ที่จิต ด, ดวงนี้นั่นเองเมื่อเราเดินเข้ามาถึงจุดนี้ด้วยปัญญาของเรา เราจะเข้ามาถึงจุดนี้ด้วยอิริยาบทใดก็ตามไม่ว่าจะยืนหดืเดิ น, ดนหรือนั่งหรือนอนก็ตามประตูมรรคผลนิพพานยินดีพอใจกันต่อการเปิดต้อนรับพวกเราด้วยกันทั้งสิ้นไม่เลือกไม่เลือกอิริยาบทใดๆเลยแม้เราเดินมาถึงจุดหมายไปทางนี้ด้วยอิริยาบทนอนประตูมรรคผลก็เปิดต้อนรับเรา ท, ทั้งทั้งที่เรานอนอยู่นั่นแหละนี่แหละทำที่แท้จริงอยู่ที่นี่อยู่ที่จิตของพวกเรา ฟาร์มสะอาดสะอาา้านฟาร์มเป็นลิสุธิ์ของจิตนี้จะยังฟาร์มมีคุณค่าให้เกิดขึ้นมาต่อชีวิตของพวกเราอย่างแท้จริงดังเช่นพระพุทธเจ้าดังเช่นสงสาวกราหารทั้งหลายพวกเราได้กราบไหว้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นว่าสารนังคัจฉามิก็เพราะฟาร์มมีคุณค่าเหนือโลกเหนือสงสารนั่นเองพวกเราท่านทั้งหลายก็เช่นกันเราจะมีคุณค่าเหนือโลกเหนือสงสารขึ้นมาก็เพราะการชําระจิต ธรรมใจของเราไม่ใช่มีคุณค่าเหนือโลกเหนือสงสารอยู่ที่เรือนกายของเราว่าเราเกิดขึ้นมาในเชื้อชาติวรรณะ้นนู้นวัน น, นี้นี่หรือในตระกูลนู้นตระกูลนี้แต่ปล่อยปะละเลยจิตใจมีแต่ความสกปรกโศกโรกลุ่มหลังไปด้วยอารมณ์เรื่องเราแผ่เผาคอความจิตใจว่าลอยเศร้าหมองเดือดร้อนคุ้นขุ่นข้องหมองใจอยู่ตลอดเวลา น, นั่นจะเป็นสิ่งที่ด้อยคุณค่าที่สุดหาคุณค่าอะไรไม่มีเลยในชีวิตของพวกเรา เอาซิพวกเราจะมีชีวิตที่มีคุณค่าดังเช่นพระพุทธเจ้าดังเช่นสงสววาวกอ ร, รหันแล้วให้พวกเรารีบเร่งขวนขวายประกอบความภาคความเพียรเสรียแต่บัดนี้อย่าพากันนอนใจเพราะเราได้เรือนกายนี้เพียงชั่วระยะหนึ่งอย่างเก่งไม่เกินร้อยปีสักวันหนึ่งเขาก็มาเอาคืนไปแล้วแต่ในขณะนี้แหละแมน้นเราจะต้องคืนเขาสักวันหนึ่งแต่เขายังไม่มาเอาคืนก็เป็นเวลาที่พวกเราจะเอาเรือนกายนี้แหละมาเป็นเครื่องมือ อันประเสริฐรีบเร่งมาประกอบความภาพความเพียรมาชําระกิตชําระใจของตนเองด้วยจิตตะภาวนาเสี้ยตะบัดนี้ถ้าพวกเราท่านทั้งหลายไม่พากันนอนใจพากันยึดเอาข้อปฏิบัติในจิตตะภาวนาไปบำเพ็ญอยู่เป็นเนืองนิดแล้วเชื่อเถอะว่าจะเป็นการชําระจิตใจของพวกเรานับวันให้ใสสะอาดให้มีความเบิกบานมีความผ่องใสยิ่งยิ่งขึ้นไปเราจะเห็นคุณค่าของชีวิตของพวกเราอย่างแท้จริงว่า ชีวิตของพวกเราเกิดขึ้นมาแล้วเรามีความสุขอยู่ที่จิตดวงนี้จิตดวงนี้เมื่อมีความสุขแล้วนั่นแหล่ความยังความมีคุณค่าให้เกิดขึ้นแก่พวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนจึงขอให้น้อมนําไปปรัะพฤติปฏิบัติชีวิตของพวกเราก็จะเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามีความสุขอย่างแท้จริงสมดังความปรารถนาของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนการแสดงธรรมมานี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติเอวังก็มีด้วยประกาลศนีสัย